ตัวอย่างธรรมที่พิจารณาได้ทุกระดับในศีลสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวักสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกธิตะอยู่ที่ป่าอิสิปตัตนะมฤุกทายวันใกล้พระนครพาราณสีครั้งนั้นแหละท่านพระมหาโกธิตะเข้าไปหาพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วถามว่าท่านสารีบุตรภิกษุผู้มีศีล ควรโยนิสโสมณสิการทาจำพวกไหนพระสารีบุตรตอบว่าท่านโกติตะพิกษุผู้มีศีลควรโยนิสโสมณสิการอุปาทานขันห้าโดยอาการที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ปัจจัยบีบคั้นได้คือเป็นทุกข์เป็นดังโรคซึ่งต้องคอยดูแลเป็นดังฝีเป็นดังลูกศรเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อนเป็นที่ทาให้ค้องขัดไม่สบาย เป็นดังคนพวกฝ่ายอื่นเป็นสิ่งที่จะต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระจริงไม่เป็นอัตตามีฐานะเป็นไปได้ที่เมื่อภิกษุผู้มีศีลโยนิโสมนสิกาอุ ป, ปาทานขันห้าเหล่านี้โดยอาการที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่เป็นอัตตาอย่างนี้จะพึงประจักษ์แจ้งโสดาปติพล์พระมหากกติตะถามอีกว่า ภิกษุโสดาบันละท่านควรโยนิสโสมนสิการทำจำพวกไหนพระสารีบุตรตอบว่าแม้ภิกษุที่เป็นโสดาบันก็ควรโยนิสโสมนสิการอุปาทานขันห้าเหล่านี้โดยอาการที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่เป็นอัตตาอย่างนี้เหมือนกันมีฐานะเป็นไปได้ที่เมื่อภิกษุโสดาบันโยนิสโสมนสิการอย่างนี้จะพึงประจักแจ้งสะกะทาขามิผล พระมหาโกติตะถามอีกว่าภิกษุสกทาคามีละท่านกวรโยนิโสมานสิการท์ทำจำพวกไหนพระสารีบุตรตอบว่าแม้ภิกษุที่เป็นสกทาคามีก็กวนโยนิโสมานสิการอุปาทานขันห้าเหล่านี้โดยอาการที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่เป็นอัตตาอย่างนี้เหมือนกันมีฐานะเป็นไปได้ที่เมื่อภิกษุสกทาคามีโยนิโสมานสิการอย่างนี้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 โยนิสโสมนสิการอย่างนี้จะพึงประจักแจ้งอรหัตผลพระมหาโกธิตาถามอีกว่าพระอรหันต์ท่านควรโยนิสโสมนสิการทำจําจพวกไหนพระสารีบุตรตอบว่าแม้พระอรหันต์ก็ควรโยนิสโสมนสิการอุปาทานขันห้าเหล่านั้นแหละโดยอาการที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่เป็นอัตตาอย่างนี้เหมือนกัน พระอระหันต์ไม่มีกิจซึ่งจะต้องทำยิ่งขึ้นไปอีกหรือจะต้องสั่งสมกิจที่กระทำไว้แล้วก็จริงก็แต่ว่าทำเหล่านี้จเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารคือการมีที่พักใจอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะสูตรถัดไปคือในสุตวาสูตรสั่งยุตนิกายขันทวารวัก ก็แสดงคำสนทนาระหว่างท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหากรทิตาเช่นกันและมีเนื้อความเหมือนกันแต่เปลี่ยนคำว่าผู้มีศีลในท่อนแรกเป็นผู้มีสุตตะในการตะกีสูตรที่หนึ่งและสองสั่งยุตินิกายมหาวาระ ก, ก็กล่าวว่าทั้งพระเสขะและพระอะเสขะควรใช้สติปัฏฐานสี่เป็นวิหารธรรมทำที่ตามปกติเป็นข้อปฏิบัติสาหรับพระเสขะและแม้ต่ำกว่าเสขะ แต่ใช้เพื่อทิตธรรมสุขวิหารและสติสัมปชัญญะสำหรับพระอระหันต์ก็คือฌานสีกายคตาสติก็ตรัสไว้ทำนองนี้